อ๋อมีมกับทุกกับทุกคน <c oughs> วันนี้อากาศเย็นลงไปกว่าทุกทีโนะน่าจะเย็นเยินสักเดือนสองเดือนจะได้เขารุรูหนาวกันสักทีอีกสักหน่อยก็เป็นรุูไปไม้พริรุรูร้อนอีกไม่นานอีกสักเดือนเดือนนี้เดือมกรากรุ่งผาเดือนมีนาะ เดิดนมีนาก็รูดูไปไม่ผิไปที่ไหนก็มีความทุขเห็นความเขียวชะอมตื่นเช้าขึ้นมาพยายามพิจารณาใจของเรารู้ใจของเราสร้างความรู้ตัวให้เป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการอบรมใจของเราจะพากันไปวันเวลาทิ้ง เมื่อคืนญาติโยมก็พากันมาไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนกันยเยอะเห็นแล้วก็ภูมิใจใคนไทยฝักใฝ่ในบุญเราพยายามทำใจของเราให้เป็นพระเจริญสติเขาไปเยี่ยมพระบ่อยๆใจเกิดกิเลสเราก็รู้จักละรู้จักดับทุกเรื่องในชีวิตยังตะตื่นขึ้นยังจ่ยังไม่รู้จักที่ รู้กายรู้ใจรู้ลมหายใจเข้าออกจนถึงเวลานี้ไม่ว่าพระวาโยมบัชีพระเราก็เหมือนกันที่เราก็เหมือนกันต้องรู้จักการวิเคราะห์พิจารณาปฏิสังขารอ ย, ยพิจารณากายพิจารณาใจ ของเราจะพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเื่อไดเวลาในการทำบุญให้ทานทุกคนก็พากันทำออมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายออมาถึงช่วงของพวกเราก็ได้ทำกันอยู่ไปปล่อยอยู่ตลอดแต่การจเจริญสติเข้าไปอบรมใจตรงนี้แหละสำคัญ อ, อ, อบรมใจ ตนใจคลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามมันก็แยกยากอยู่นะถ้าไม่มีความเพียรจริงๆลักษณะคงใจใจที่ปราศจากกิเลสใจที่ไม่เกิดใจที่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นใจที่ไม่เกิดมันถ้าไม่เอาจริงๆนี่ก็ยากจุแต่ก็ต้องพยายามพยายามทำความเข้าใจให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น มองบนมองล่างมองกลางใจของเราอะไรคือสมมติอะไรคือวิมุตติอะไรคืออัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรสักวันหนึ่งก็คงจะเข้าใจในชีวิตแต่เราวันตื่นขึ้นมาเราได้สร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้เต็มเปี่ยมล้วหรือยังถ้ายังก็พยายามพยายามเริ่มพยายามสร้างขึ้นมาน้อมใจของเราให้อยู่ในกองบุญญาติโยมท่านใด ที่ปรารถนาที่จะลงชื่อเขียนชื่อลงนามะกุล บ, บนแผ่นทองบนก้อนทองที่จะลอล้อม อ, อ, องค์พระพุทธรูปองค์แทนหลวงพ่อโสทรน้าตักสองเมตรก็มาลงชื่อได้บนแผ่นทองบนก้อนทองเอาคุณหมอยกก้อนทองแผ่นทองไปตั้งอาาเอาไว้มาบูชา อบชาแผ่นทองก้อนทองเขียนชื่อนามสกุลถ้าไม่มีก็มาเขียนได้ถ้าไม่พร้อมก็มาเขียนได้เพื่อที่จะฝากเอาไว้หล่อหลอมองคพระพุทธ ร, รูปวันที่สิบสองเอาไว้เอาไว้ข้างล่างนั้นก็ได้วันที่12บมีนาโน่นโ่ น, อ น, อนอเอาไว้เสือ่อเอาไว้เสือ่อญาติโยมท่านใดที่ยังไม่ได้เขียนชื่อเขียนนามสกุลลงแผ่นทอง ก็มาเขียนได้ลงได้ตลอดเวลาก้อนทองก็มีแผ่นทองก็มีจะได้เอาไปหล่อล้อมในในวันที่12หล่อล้อมเป็นองค์พระหลวงพ่อโสทรจำลองหน้าตักสองเม็ดจะได้จารึกชื่อเอาไว้ในองค์พระให้เป็นสิริมงคลของทุกคน พวกเรามีโอกาสเมื่อวานนี้ก็ญาติโยมก็เยอะมีผู้ใจโบณได้มาถวายองค์พระศิวลีญาติโยมก็ามาเยอะหลังจากทาพิธีเสร็จถวายเสร็จตกช่วงบ่ายก็ได้มาช่วยกัน เ, เทฐานองค์พระพุทธรูปใหญ่อยู่ที่มหาเจดีย์ใหญ่ อีกเล็กหน่อยก็จะได้ยกองค์พระพุทธรูปไปติดไปตั้งให้ทุกคนได้เห็นพระพุทธรูปยกขาวที่มาจากเอานํำหินขาวยกขาวมาจากประเทศอิตาลีนี่เดี๋ยวนี้ก็แกะสลักพระไปได้เกือบจะถึงครึ่งแล้วแหละตัดตกแต่งก็จ ะ, จะค่อยยกไปติดตั้งฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของชนรวม ฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของส่วนกลางพวกเรามีโอกาสมากเด็ก็ได้มาช่วยกันมากหลวงพอก็ขอขอบใจหลายจุดหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำเอาไว้ฝากเอาไว้ในสมมุติมาหาเจดีใหญ่ก็กำลังจะดำเนินไปเรื่อยๆเราก็จะได้ขึ้นเสาขึ้นชั้นที่สองชั้นที่สมขึ้นไปภายในปีนี้ก็คงจะไปได้เยอะอยู่ ไม่เกินห้าปีก็คงจะเรียบร้อยไอ้ส่วนมหาเจดีย์ที่ปักธงชัยก็จะได้ไปทำด้วยไปทาด้วยนี่เพราะว่าที่โน้นก็ปรับตกแต่งที่ถมที่เอาไว้หมดแล้วก็ให้จัดทำโรงทานเอาไว้ต่อไปข้างหน้าใครอยากจะไปช่วยทางโน้นก็จะได้ไป ก็คงจะเป็นปีหน้าและคงจะได้ลงเสาเข็มใหญ่กว่าทีนี่อีกเพราะว่าบนภูลาน์กว้างใหญ่ก็คงจะใหญ่อยู่ที่ใหญ่กว่าตรงข้างล่างมีโอกาสก็จะได้สร้างเอาไว้ทุกที่ทุกจุดให้เป็นแหล่งบนแต่ทางโน้นก็คงจะไม่ได้ลำบากเท่าไหร่เพราะว่ามีกำลังทหารไปช่วยในการก่อล่างสร้างมาหาเจดีย์ ตัดถนนหนทางเอาไว้เรียบร้อยขุดบ่อถมที่เอาไว้เรียบร้อยมีโอกาสก็จะได้พี่น้อง้องเราก็จะได้ไปช่วยกันอยู่บนหลังเขามองไปรอบข้างมองไปรอบข้างนี่มีภูเขาล้อมรอบเป็นรั้วสวยงามมากเดีเดยวปักรงชัยของประเทศเป็นจุดุนกลางของประเทศ จะได้อัญเชิญพระบรมสาริกธาตุไปปฏิษจฐานด้วยมีโอกาสก็เชิญพี่น้องเรามาร่วมกันมาช่วยกันเอาทุกอย่างขณะยังมีกำลังอะไรที่จะเป็นบุญเป็นประโยชน์บุญใกล้บุญไกลบุญระดับสมมุติบุญระดับโลกสมมุติ โลกิยาส่วนการละกิเลสภายในเราก็มันขัดมันเกลามันเอาออกชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลมองเห็นตามความเป็นจริงอีกสักหน่อยร่างกายอัรถภาพร่างกายนี้ก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมไปถ้าเราวิเคราะห์พิจารณาเราจะเห็นตามความเป็นจริง ขณะที่เรายังมีกําลังมีลมหายใจอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะเป็นบุญบุญใกล้บุญไกลเราก็พยายามรีบตักตวงสร้างบุญสร้างประโยชน์ในกายก้อนนี้ประโยชน์ทั้งภายนอกประโยชน์ทั้งภายในเราก็จะได้มีความสุขในภายใน5้าปี ม, มาเจดีก็คงจะเสร็จเรียบร้อยไม่ไม่ไม่เหลือวิสัยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ ไม่ได้ลำบากส่วนทางอาคารเรียนที่สร้างให้กับทางโรงเรียนก็สาเร็จรุล่วงลงไปนี่ก็สาเร็จแล้วเนือตั้งแต่จะปลูกต้นไม้ล้อมรอบอาคารเรียนให้สวยงามจะได้ต้นชมพูพันทิพย์มาปลูกรอบอาคารเรียน่อไปในวันข้างหน้าจะออกดอกสวยงามมากทีเดียวทางในวัดของเราก็ปลูกเยอะ เป็นรวมๆพันต้นตเกาเฉพาะชมพูพันทิพย์การลบประพฤกต้นหางจิงโจ้หางนกยูงเอามาปลูกต่อไปถ้าต้นไม้มันใหญ่โตขึ้นจะเป็นสวนดอกไม้มะฮือมาเลยทีเดียวใครไปใครมาก็จะได้มามีความสุขสวัตถุภายนอกเราก็พยายามสร้างขึ้นมาระลึกนึกถึงองค์พระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ตัดสู้ฝาคําสั่งสอนเอาไว้ให้กับสัตว์โลกท่านตัดสู้ก็เรื่องชีวิตเรื่องกายของเรานี้แหละในกายของเรามีอะไรบ้างที่ว่าเป็นขันเป็นกองมีวิญญาณ เ, เ, เ, เข้ามาครอบครองอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามเราก็จเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์ดูเราก็จะเห็นตามคำสอนของท่านท่านถึงบอกให้เชื่อ การเจริญสติเป็นอย่างงี้การดับการละเกเลดหยาบปิเรตละเอียดมันมีหมดอยู่ในกายของเรายิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นยุะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําความเข้าใจแล้วก็พยายามละออกจากใจของเรามีให้เป็นทําให้เป็นอยู่ด้วยปัญญาทําด้วยปัญญาให้ใจรับรู้ผิดถูกชั่วดีสติปัญญาไปแก้ไข ถ้าเราสอนตัวเราไม่ได้ไม่มีใครจะสอนให้ได้เราได้เลยนะเราพยายามหมั่นพรฒำสอนใจของเราแต่คำสอนแนวทางนั้นมีมาตั้งนานตำราใบใหญ่ก็คือกายของเราจจเราจงเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์ สติความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาก็จะได้รู้กายรู้ใจรู้การเกิดการดับรู้ไม่ทันก็หยุดเอาไว้ทําไมเราถึงลําบากจากโจรเราก็สร้างความขายันมันเพียนสร้างความรับผิดชอบ <c oughs> เราเคยสร้างบุญมาดีอั น, นิี้สงผลบุญผลทานก็จะส่งผลให้พวกเราตราไปบบที่ใจยังเกิดอยู่ก็ต้องสร้างอั น, นิี้สงบุญฝากเอาไว้จะได้เป็นข้าพกเข้าหอติดตามตัวเรา ไม่ว่าพบไหนถราไปที่ใจยังเกิดอยู่คนที่เคยลำบากก็ไม่เคยให้ทานมาก่อนก็ลำบากทีนี้เราก็มีโอกาส <N> เพียงแค่เลนน็กๆน้อยๆค่อยสร้างสะสมไปเรื่อย ๆ, อยๆอยก็จะเป็นบุญกองใหญ่ไปที่ไหนก็ไม่ได้ลำบากก็ต้องพยายามกันหลวงพ่อก็ขอขอบใจมากๆขอบคุณมากๆทุกคนทั้งเหามนุษย์เราเท ว, วดาที่ได้มาร่วมมาช่วยกัน หลวงพ่ออาศัยอำนาจของเทวดามากได้ทีเดียวที่ได้มาช่วยกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนเหล่าเทวดาที่ไม่มีกายเนื้อและก็เหล่าเทวดาที่มีกายเนื้ อ, อได้ยินข่าวทราบข่าวก็ให้มาพ า, า, า, า, ากันมาอย่างประโยชน์มาสร้างกองบุญฝากเอาไว้กับแผ่นดินฝากเอาไว้ให้กับเป็นสมบัติของชนวกลางเอาไว้ณที่วัดป่าธรรมอุทยานนี้ก็ไม่นานเดียวก็เสร็จ บีหน้าก็คงจะได้ลงหลกักลงหลักปักอยู่ที่ทงชัยอีกมหาเจดีย์ใหญ่คงจะใหญ่กว่าที่นี่เพราะว่าเป็นสถานที่ใหญ่มากทีเดียวอยู่กลางเขาอยู่กลางป่าทางโน้นก็เรียบร้อยปรปับปรุงสถานที่เอาไว้จะให้เป็นรงดอกไม้เลยทีเดียวจะปลูกต้นชมพูพันธทิพย์เป็นหมื่นๆต้นเลยที่โน้นต่อไปในวันข้างหน้า จะให้เป็นสวนดอกไม้ของประเทศไปเลยอ่ะวากันตั้งใจล้วพรกันอขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกตับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งอกอกกระทบปลายจมูกของเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายฟังไปด้วยน้อมสำเนียแระลึกรู้ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจอย่าไปเพ่งลมหายใจการสูดลมหายใจยาว ความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจ ม, มูกของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าสติรู้ตัวถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องทั้งลมหายใจเข้าหายใจออกได้นหนึ่งนาทีสองนาทีสมนาทีเป็นห้านาทีเป็นสิบนาทีเขาเรียกว่าความรู้ตัวสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเราจงพยายามสร้างความรู้ตัว ต, วตรงนี้แหละให้เกิดความเคยชิน ถ้าเราไม่เจริญสติตัวนี้เราก็จะไม่เข้าใจในชีวิตของเราการเกิดการดับของใจนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนการเกิดการดับของความคิดกับใจซึงเป็นส่วนานามธรรมานั่นแหละความเกิดนั่นแหละคือความหลงจนถึงเวลามาสร้างพบมนุษย์มาสร้างขันห้าปิดกันตัวเอง อาการของคันห้ามีอะไรบ้างถ้ากำลังทติของเราไม่เพียงพอยากที่จะเข้าใจเราจงพยายามมัน่นสังเกตมันวิเคราะมันสำเนียก จนกว่าใจจะคลายออกจากขันห้าซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามกาลังสติของเราที่จเจริญ น, นี้แหละเอาไปตามดูตามรู้ตามเห็นขันห้ารู้หลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตาอะไรคือสมมติปีมุติถ้าใจของเราคลายออกใจเกิดกิเลสเราก็รู้จักละเราก็จ้องพยายามเสียงก็สักแต่ว่าเสียง ตามองเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังให้ใจรับรู้ใจจะเกิดความบินดียินไลย ใ, ใจจะเกิดกิเลสแล้วก็ดับ ส่วนมากเราจะไปรู้เท่าทันตั้งแต่ตัวใหญ่ๆตัวความเกิดของใจของขันห้าความคิดนั่นแหละมันเกิดได้ยัง ไ, ไงไปยังไงตรงนี้เราขาดการทนใจกันมากเลยทีเดียวก็เลยไปมุ่งมั่นเอาความคิดเก่าๆปัญญาเก่าๆว่าเป็นความคิดของเราจริงๆก็เป็นความคิดของเราจริงๆนั่นแหละเป็นความคิดในระดับของสมมติไม่ใช่เป็นความคิดที่ใจมันคลายออกใจแยกแยกรูปแยกนา ให้ได้เชก่อนตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงส่วนการสร้างงานิสง์สร้างบุญบารมีทุกคนก็สร้างมาดีถ้าไม่สร้างมาดีไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขณะที่เรามีโอกาสได้กายเนื้อก้อนนี้เราจงพยายามรีบตักตวงให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าวันหนึ่งเราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วไม่ถึงจริงๆสิ่งที่พวกเราทำนี่เลยจะไปต่อเอาพบหน้ามาสร้างข้าวพวกข้าวห่อติดตามตัวเรา จนกว่าใจของเราจะดับความเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดกันเอาสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนกันนะอยู่หลายคนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจ ม, มูกของเราให้ชัดเจนทําใจให้ว่างสมองให้โล่งทำสติให้ต่อเนื่องกันทั้นี้หนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทํานะ ฝากกันไว้ประพร้อมๆกันค่อยไปศึกษาคุา้นคว้าทำความเข้าใจให้ได้ทุกเรียบบท